เรื่องของสังขามร่างกายก็เป็นอย่างนี้นะเป็นปกติเป็นไปตามเวลาของกาลแต่ใจไม่ได้เป็นเหมือนร่างกายใจนีไ้ได้แก่ไม่ได้เจ็บไมไ่ตายตามร่างกายใจก็ยังเป็นใจอยู่เหมือนเดิใจ ที่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเฉพาะคุณสมบัติที่มีในใจจากการมีกิเลสไปสู่การไม่มีกิเลสหรือตร ง, งกันข้ามจากการมีกิเลสน้อยไปสู่การมีกิเลสมากหรือจากการมีกิเลสมากไปสู่การมีกิเลสน้อย คามเปลี่ยนแปงขอใจอยู่ในลักษณะนี้แต่ใจไม่มีอายุขัยไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายแตยังมีความทุกข์อยู่ยังมีวันเจ็บอยู่ตามใดที่ยังมีเกล็ อ, อยู่ในใจก็ยังมีความทุกข์ทรมานใจอยู่ถ้าไม่มีเกล็ลมไม่มีในใจแล้ว เพื่อจะไม่มีความทุกข์ตระนันใจ ม, มีแต่ความสุขอย่างเดียวเราจรึงควรให้ความสําคัญแก่ใจมากกว่าร่างกายเพราะร่างกายเราทําอะไรทาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาส่วนที่เราทําได้นั้นเป็นเพียงส่วนตื่นได้เท่านั้นเอง ให้อาหารให้นาำให้ยาเวลาที่เขาต้องการเพอพอพยุงให้เขาได้ไปตามตามตามข้นตอนตาา่างๆถ้าเขาขาดสิ่งที่เราควจะให้เขาเขาก็จะไปเร็วแล้วก็จะเจ็บไข้ได้ปวยเร็วขึ้น แล้วก็ตายไปเร็วขึ้นแต่ไม่ว่าเราจะดูแลรักษาเขาอย่างไรความจริงของเขาก็ยังเป็นเช่นเดิมเขาก็ยังต้องแฉะต้องเจ็บต้องตายตายในที่สุดแต่ใจที่มาเป็นเจ้าของร่างสายนี้ไม่ได้แฉ่ไม่ได้เจ็บไม่ไดต้ตายตายมากไป แต่จะทุกตามร่างกายถ้าไม่ได้รับ ก, กาบรอบคมสัง่งสอให้ปล่อยวางให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นใจเราก็ต้องศึกษาความสำคัญของใจและการ ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ใจและการมาพบกันก็ตอนที่อยู่ในขันตอนที่มีการปฏิสนธิตอนที่มีชื่อของพ่อของแม่มาผสมกันแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณคือใจมาจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็ อยู่กันมาตลอดจนถึงเวลาข้อแล้วก็จเจริญเติบัวขึ้นมามันผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ฉลาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆแล้วใ น, นที่สุดเช้าร่างการก็หยุดทำงานใจที่ได้มา โลตาได้อยู่คู่กับร่างตายก็จากไปใจก็ไปต่อกายก็ไปส่วนของเขาการก็ไปสู่น้าไปสือปส่อดินน้ำลมไปใจก็ไปตามลอำน้าของบุญของหบาปไปตามอำนาจของทรรมแล้ว ใจมีธรรมเป็นดวงมีธรรมเป็นร้อยก็ไปสือ่อริพารปันสือการเสิ่อมสิ้นแห่งกลางเห็นว่าตายเกิดแล้วไปตามอนาของดุนก็ไปสู่สุคติไปเป็นเทศเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลตามมัดกนีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างบาปม ถ้าไปตามลมน้ำของกังก็ไปสู่อบายไปสู่เหกไปเบลฉันสุรตายนี่คือเรื่องของใจและกายเมื่อมองอย่างนี้แล้วร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเสื้อผ้าพรชุดหนึ่งของใจตรงนี้นเราจึงไม่ควรที่จะ ให้ความสําคัญต่อเสื้อผ้าอผอมเหมือนกับเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าอผอมเท่ากับเราให้ความสําคัญต่อร่างกายเสื้อผ้ า, อาพอมเราถ้ า, าใส่เวลามันขาดแล้วก็โยนทิ้งไปเราก็มีชุดใหม่มาใส่แต่ดังที่ร่างกายยังหายใจอยู่ก็ยังต้องมีเสื้อผ้าอผาอมไว้สวมใส่ เราจึงดูแลรักษาร่างกายเรามากกว่าดูแลรักษาเสื้อผ้าผ่อนของเราเพราะร่างกายของเรามีความสัมพันธ์ต่อกว่าละกับเสื้อผ้าผ่อนเช่นเดียวกับกายกับใจก็เป็นอย่างนั้นกายก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าผา่อนของของใจแต่ใจมีความสัมพันธ์กว่าเสื้อผ้าผอนคือร่างกาย ปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่เนื่องจากมีความเห็นผิดเป็นชอบขาดส ม, มาธิความเห็นที่ถูกต้องเลยไปให้ความสําคัญต่อร่างกายอยู่ต่อเสื้อผ้าพรมากกว่าให้ความสํ า, าสคัญต่อจใจใจก็เลยขาดการดูแลรักษาใจก็เลย ต้องทุกข์ทรารไปกับความเป็นไปของร่างกายเวลาคิดถึงความแก่ก็ไม่สมาใจคึดถึงความเจ็บไข้ไร้เย ก, ก็ไม่สบายใจที่ถึงบวางตายก็ไม่สบายใจถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าใจขาดการดูแลรักษาให้มีสมาธิ ไม่เห็นว่ากายไม่ใช่ใจให้เห็นว่ากายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อมีใขรจะมายักยังหยุดยังได้นอกจากการไม่มีกายท่านั้นถ้าใจไม่ใส่ไขว้คว้าไปครอบครองร่างกายใจก็ไม่ต้องมาโลภต่อมากับร่างกาย แใจนี้อยู่ได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายอิ น, นกาเชื่อใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาจานย์นืองจากที่ร่างกายของท่านไดน้ดับไปแล้วท่านได้ตอนนี้ผ่านแล้วใจของท่านก็ยังไม่ได้ปไปไหนไม่ได้ตายไม่ได้ตายที่ร่างกายไม่ได้หายปไปไหนใจของท่านก็ยังเป็นใจอยู่ เป็นใจที่สะอาดบริสิ์เป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเมื่อไม่มีความโลภใจท่านก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีความโลภ ท, ที่อยากจะมีร่างกายอยากจะมีพชคดีชราท่านก็เลยไม่ได้ไปควายคว้ า, วาไปจับจองเอาร่างกายมาเป็นสมบัติ ท่านก็อยู่อย่างสบายอยู่อย่างอยู่อย่างสุโดยไม่มีความทุกข์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะท่านดูแลรักษาใจอบลงสั่งสอนใจให้เห็นโทษของารมีร่างกายมีพบมีชาติ ถ้าเกิดย่อมมีการเกิดย่อมมีการแก่ย่อมมีการเกิดย่อมมีการตายจึงจะมาได้และเหตุที่ทำให้ไปเกิดก็คือความอยากอยากได้รูปเสียงเก่งลบอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นจึงทำให้ต้องไปเกิดท่างจึงพยายาม ปฏิบัติเพื่อจับความอยากทั้งส า, ามประการนี้คือการละกันหาความอยากในการภาวะกันหาความอยากมีอยากเป็นที่ภาวะกันหาความอยากไม่มีอยากแยกอยู่เมื่อได้จับความอยากทั้งสาประการนี้แล้วใจก็ไม่มอะไรมาจักยังให้ไปจับจอง ร่างกายจับางภพชาติต่อไปใจก็ไม่ต้องมีความทุกข์ทรมายเกี่ยวกับร่างกายนี่คือวิธีรักษาใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์เราต้องรู้ว่าใจนี้ อยู่ตามลาพังไม่มีอะไรดีที่สุดเพราะว่าได้อะไรมาหรือ ม, มีอะไรก็เท่ากับมีความทุกข์ได้ความทุกข์มาเพราะทุกสิ่ทุกอย่างที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ที่ใจได้มาครอบครองนั้นล้วมเป็นไตรลักทั้งนั้นแต่ละวิจารณทุกขังอนาาัตตา ทุกข์ขังก็แ่ลว่าทุกขเป็นกองทุกข์เวลาได้อะไรไนดะ้อะไรมาก็เท่ากับได้ความทุกข์มาในทางตรงหนึ่งข้างเวลาเสียอะไรไปก็เท่ากับเสียความทุกข์ไปถ้าผู้มีปัญญามีสัมมาที่ฏฐิจะเห็นอย่างนี้จะไม่อยากได้อะไรก็ได้อะไรมนาะถ้าเท่ากับได้ก็ได้ความทุกข์มา และจะไม่เสียดาอะไรเวลาเสียอะไรไปก็เท่ากับเสียความทุกไปนี่คือความจริงที่เรามักจะมองไม่เห็นกันเนื่องจากเราถูกความหลงค้อบงำใจเราทำให้เราเห็นตรงกันข้ามกันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลงจากเป็นหลบบักฐาเห็นว่าได้อะไรมาเท่ากับได้ความสุกข์มา เห็นว่าเวลาเสียอะไรไปเท่ากับเสียความสุดไปเวลาได้อะไรมาจึงดีออกดีใจเวลาได้ลูกมาทุกคนดีออกดีใจกันพอเวลาเสียลูกไปหรือเสียคนนั้นคนนี้ไปก็ร้องหยน้องไห้กันอย่างที่จะควรเป็นทางตรงข้าเวลาได้ลูกมาต้องร้องแล้วว่าได้บ่วงมานักปรัจะร้องอย่างไง ได้กลองทุกมาบวมก็เป็นเหมือนกองทุกเป็นเป็นเครื่องพันตนาการที่จะขูดจิตให้ตกให้ตกอยู่ในกองทุกพอรู้ว่าได้ลูกปั๊บก็ร้องเลยบวมต้องโดดนีไม่เอาแล้วไม่เสียดายเลยลวลาไปเพราะมีปัยัามีสัมมาทุกฐิเห็นว่าเป็นกองทุก เดี ก, กับจะกองถูกใปแต่คนที่ไม่มีปัญญาจะมองตรงกันข้ามกันเวลาได้ลูกมาก็ดีออกดีใจคิดว่าได้ความสุขมาพอสูญเสียลูกไปก็เสียออกเสียใจคิดว่าเสียความสุขไปแต่ความจริง เป็นการเสียความทุกข์ไปมากกว่าเพราะไม่ต้องทุก์กับลูกอีกต่อไปตามใจที่ยังมีลูกอยู่ก็ยังต้องทุก์กับลูกอยู่ต่อไปอย่างนั้นก็จะจะริ่มเติบจเป็นผู้หลักผู้ยายมีครอบครัวของเขาแล้วก็ตามใจก็ยังอดที่จะทุกข์กับเขาไม่ได้เพราะความหยงเพราะความอุ ป, ปทานความยึด ยึดติดในตัวเขาว่าเขาเป็นของเราเป็นลูกเราเมื่อมีอะไรเป็นเราเป็นของเราก็จะมีตัณหาความอยากให้สิ่งที่เป็นเราเป็นของเรานี้ดีไปเสมอดีไปตะลอดไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับของที่เป็นของเราหรือตัวเรา แต่ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ทงไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราอยากได้กันในเรื่องนี้มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามีเจริงมีเสื่อมเป็นธรรมดามีดีนะก็ไม่ดีเป็นธรรมดาเป็นของคู่กันเสมอมีเป็นสิ่งที่ผู้มีความ มืดบอกด้วยโมหะความเหลงจะไม่ยอมมองหรือมองไม่เห็นกันจะเห็นแต่ส่วนที่ดีย่อก็อยากจะให้ดีไปตลอดจะไม่ยอมมองในส่วนที่ไม่ดีเช่นเวลาพูดเรื่องความตายนี้ทุกคนจะต่อต้านจะว่าเป็นความคิดที่ อาประเมินคนไม่ควรคิดนี่ก็เป็นผลงานของควา ม, มลืมตัของความหลวงของอวิชาที่ไม่ยอมมองความจริงที่ไม่ชอบกันชอบมองความจริงในส่วนที่ดีส่วนที่เจริญไม่ชอบมองความจริงในส่วนที่เสือ่อม มนส่วนที่ดับถึงเหมือนกับว่าส่วนที่ไม่เจริญส่วนที่เสืงส่วนที่ดำนี้ไม่มีอยู่พอมีเกิดขึ้นมาก็ตกอกตกใจเสียออกเสียใจเศร้าสศกถึงไม่ได้นอนได้หลับนี่เป็นท้องใจไม่ได้รับการ ประกอสั่งสอนให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่ใจได้มาสัมผัสได้มาครอบครองการฟังเทศควาธทางก็เป็นการหยุดประกายแห่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเวลาฟังเทศคําธทรมนมักจะได้ยินเรื่อง ของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเพราะนี้เป็นความจริงเป็นความจริงที่จะทําให้จิตมีภูมิคุ้มกันเพราะจิตเมื่อรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตก็จะปรับตัวเองให้รับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีความสะทกสะท้าน ไม่มีความหวาดกลัวใจอย่างไดแต่ถ้าใจไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือความจริงที่จะต้องพบจะต้องประสบพอพบแล้วก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติก็จะเกิดการต่อต้านขึ้นมา ไม่ยอมรับความจริงที่ได้เปลี่ยนไปคือความจริจงจากจากการมีชีวิตอยู่ไปสู่ความตายเมื่อไม่ได้รับการอบรมให้รับรู้ไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ เ, เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจพอถึงเวลาที่จะก้าวสู่ความตายใจก็ทุกข์ทรมานใจ ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเคยอยู่กับการมีชีวิตอยู่จนติดเป็นวิสัยจนคิดว่าจะอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตไปตลอดพอจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลยจะต้องสูญเสียสิ่งที่มีชีวิตไปก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรเหมือนกับเวลาที่มี น้ำท่วมถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ามีน้ําท่วมเราก็จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้เทอาของต่างๆที่เราคิดว่าจะถูกน้ําท่วมเราก็ขนย้ายไปเก็บไว้นในที่สูงที่ปลอดภัยถ้าเราจําเป็นงจําเป็นจะต้องออกจากบ้านแบบไหนเมื่อไหรเราก็ตเตรียมเรือพายไวอาหารการกินต่างๆเราเตรียม ว้นกาะโรงงานพอน้ำท่วมเราก็อยู่ได้ก็เราได้เตรียมรับกับเหตุการณ์ไว้ไม่เดือวร้อนอะไรเช่นเดียวกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและการพลาดาพกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเรื่องบุคคลต่างๆเรื่องการประสบ กับสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นศาสนาถ้าเราไม่ได้รัรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะเกิดขึ้นแลวไม่ได้เตรียมตัวเตเเรียมใจไว้พอถึงเวลาก็าจะไม่รู้จะทำยังไงก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่พราะถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วเราเตรียมตัวเตรียใจไว้เราจะรู้จักวิธีรับ ก, กับ เตการต่างๆเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับเหตุการต่างๆเหตุการต่างๆเขาเกิดขึ้นแล้วเหลือ เ, เขาก็ผ่าไปแต่ใจก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่จะอยู่ในสภาพไหนอยู่ในสภาพนักสิกหรือยั ง, งยืนอยู่บนบนบนลำแค้งลำขาของตนเองได้เหมือนกับ นักต่อสู้บนบนเวทีสังเวียนที่ไม่ว่าจะโดนหมักจะโดนอะไรมากมายขนาดไหนก็จะไม่ล้มจะไม่ถูกนับศิษย์เพราะมีความแก่งพอที่จะรับกับหมักทุกชนิดได้จะหนักจะเบาอย่างไรจะไม่เป็นตำหาจะไม่ต้องลงนอนกับพื้นให้นับศิษย์ เพราะใจนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรทำใจได้ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทำใจไม่ได้ลูกระเบิดมือเพลกก็ทำทำอะไรใจไม่ได้สิ่งที่จะทำใจได้ทำลายใจได้ก็คือความมืดบอดความโงกเขลาปัญญาเท่านั้นเองเพราะม เมื่อไม่มีปัญญาก็าะจะไม่รู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่หวังนไวไม่ทุกข์ทรมายใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการรักษาใจจึงต้องเป็นการอบรมสัสอนใจให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พราตอนนี้ใจไม่ได้อยู่ลำพังถ้าใจอยู่ลำพังใจไม่ต้องรับรู้อะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่ต้องรู้อะไรไปแล้วแต่ตอนนี้ใจมันมาเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องหลายราง ห, หลายสิ่งด้วยกันะมาเกี่ยวข้องกับร่างกายในเบื้องต้นแล้วพอข้าออกมาก็มาเกี่ยวข้องกับดบีญาณญาติปุยญาต า, ายายาติพี่น้อง เพื่อนสนิทนิสหายแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาบุตรธิดาหลายเหลนมาเกี่ยวข้องกับสมบับติต่างๆมาเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆมาเกี่ยวข้องกับเลอกเสียงเก่งรโพธภธัพเฮ้ยต่างๆแต่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอย่างไร อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือรู้ว่าเขาจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ยอมคิดแต่กลับพยายามภาวนาขอให้ไม่ให้ไม่ให้เขาเปลี่ยนไปขอให้เขาเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆ หรือให้เถาดีกว่านี้แต่ภาวนาอย่าให้เถาเร็วกว่านี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของของใจสิจ่งต่างๆเถาก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเวล่อ่ำเวลาของตัวเราเราจึงต้องมาตั้งเทปตมทัมงธรรม เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรขัานต่อไปเราก็ต้องนำออกไปสั่งสอนใจเราต่อเพราะการไม่ยินไม่ฟังเพียงเพียงแต่ระยะเวลาสั้นๆนี้ถ้าไม่นำออกไปขยายผลงานคือไม่เอาไปทำต่อเดี๋ยวก็จะลืมเพราะใจนี้ต้องทำหน้าที่หลายยาง พอคิดเรื่องอื่นแล้วเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนี้ก็จะค่อยๆถูกกลบไปหายไปแล้วก็เจริญเหมือนกับว่าไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนดังนั้นถ้าอยากจะให้เป็นปัญญาที่สามารถดูแลรักษาใจได้ก็ต้องเอาไปบำเพ็ญต่อเอาไปเจริญต่อสามอย่างนี้เท่านั้นเองที่เราควรจะจาไว้ อันนี้จังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแค่นี้แหละท่องมันไปทุกวันทุกเวลาไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นถ้าไม่มีความจาเป็นถ้ามีความจาเป็นก็คิดไปพอคิดเสร็จก็รีบกลับมาที่เรื่องนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้ามันมีอย่างนี้แล้วมันจะเริ่มปล่อยวางได้ แล้วมันจะมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นแม้เมื่อได้กอดว่ามันจะเห็นแล้วว่าแบกกองทุกมาด้วยความหลงด้วยความไม่เห็นอนิจจ์ทุกขังแนัตตานี้เองพอเห็นแล้วมันก็มันก็ฝื น, ม, นมันก็รู้ว่าฝืนไม่ได้ความจริงอนนี้ยังไงยังไงมันก็ต้องไม่เที่ยงมันจะต้องหมดไปจะต้องเปลี่ยนไป ถ้าไปยึดไปติดไปหวงไปห่วงก็จะต้องทุกข์ทรมานใจแล้วก็มันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราตัวเรานี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือตัวเราที่พูดอยู่นี้ก็คือใจแต่เมื่อพิจารณาปฏิบัติลึกเข้าไปแล้วแม้แต่ําว่าตัวเราก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงสมมติที่ใจเราสมมติขึ้นมาเอง สมมติว่ามีเราคิดเรารู้อย่างนี้เป็นต้นแต่ความจริงไม่มีเราผู้รู้ไม่มีเรามีแต่ผู้รู้ไม่มีเราคิดมีแต่ความคิดมันเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับมีเสียงแต่ไม่มีเสียงของคนนั้นคนนี้คนนั้น น, น, น, น, นี้พูดมาไม่เป็นเหมือนเสียงลมที่พัด กับใบไม้กิ่นไม้แล้วก็ปากฏเป็นเสียงขึ้นมาไม่มีคนไม่มีตัวคนที่ทำให้เกิดเสียงนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติจิตก็มีตัวที่ทำงานอยู่คือความคิดความรู้สึกความจำได้หมายรู้ความนักรู้รูปเสียงกิ่นรสทบเถิดพระเา ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาวธรรมตรงนั้นเป็นธรรมชาติไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวเราตัวเราผู้รู้ ผ, ผู้รับรู้มีแต่ตัวรู้แต่ไม่ใช่ตัวเราตัวเรานี้ก็เกิดจากความหลงความความสมมติของใจที่สมมติว่ามีเราในตัวเรา แตความจริงมันก็เป็นเพียงความสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองคือถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเห็นใจรักในในส่วนภายในนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์ท่เห็นใจรักในสิ่งของต่างๆในบุคคลต่างๆในร่างกายของเราต่อไปมันก็จะมันก็จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปเมื่อมันปล่อยแล้วมันก็จะ มันก็จะเข้ามาข้างนมันจะไม่ค่อยสมมันจะไม่สนใจกับเรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในก็ยังมีเรื่องที่ยังสร้างปัญหาให้กับใจยังสร้างความทุกข์ให้กับใจก็เรื่องตัวต น, นตัวเราอยู่ยังมีความรู้สึกว่ายังมีเราในใจนี้ก็ต้องเข้าไปแยกแยะไอ้ตัวเราตัวนี้ให้ออกไปจากใจ ให้ใจนี้มันว่างจากตัวเราของเราอะไรที่เป็นตัวเราของเราก็ต้องเอาอนัตตาเข้าไปเราไม่มีอะไรตึงตัวเราของเราข้างนอกไม่มีตัวเราของเราแล้วข้างในก็ไม่มีตัวเราของเราแต่ในเรื่องตอนถ้าเรายังพูดถึงเรื่องข้างนอกอยู่เราก็ยังคงสมมุติคือตัวเราคือใจว่าเป็นเราอยู่ไปก่อนเพื่อความ ง่าดายต่อการแยกแย ะ, แยะเปรียบเทียบว่าใจนี้เป็นเราส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่เราอย่างนี้นต้งแต่เมื่อเข้าไปถึงในใจแล้วแม้แต่ใจก็ไม่ใช่เราอีเกันเราไม่มีเราเป็นความเพ่อฝันเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของอวิชชาของโมหะควาหมหลง ถ้าตามันยังมีตัวเราของเราความสุขที่มีอยู่ในภายในใจมันก็จะว่าเป็นความสุขของเราความทุกข์ก็จะเป็นความทุกข์ของเรามันก็จะเกิดตัญหาอยู่เช่นกันอยางอยากอยากจะให้สุขอย่างเดียวอยากไม่ให้ทุกข์ก็เป็นภาวะกัรหาวิภาวะกัญหาแต่ถ้าไม่มีตัวเราของเราแล้วแล้วก็ พิจารณาว่าสุขทุกข์มันก็เป็นสภาวะธรรมเยเป็นของคู่กันมีเกิดมีดแบบับเป็นธรรมดีนมีสุขมีทุกข์อยูสุขเกิดขึ้นได้สุขก็ดับได้ทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ดับได้ถ้าไม่มีตัวตนวน้วมันก็จะไม่มตีตัวที่จะไปรับความสุขหรือความทุกข์นั้น ก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อปล่อยมาแล้วมันก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากตัวหลงนี้เองที่ไปสร้างมันขึ้นมาเมื่อตัวสุขตัวทุกข์ที่มีในใจมันหายไปหมดไปมันก็จะเหลืออยู่แต่ความว่างของใจความบริสุทธิ์ของใจซึ่งมีซึ่งเป็นความสุขอีกแบบน เป็นความสุขที่ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเสื่อมที่เรียกว่าปรมังสุขขันเพราะมันเป็นปรมังสุญญ์อย่งมันว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากใาจรัก ว, ว่างจากอนิจจังทุกขันธ์อนาตตาว่างจากอัตตาตัวตรง ว, ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมติตัวตงนี้เป็นสมมติอนาตตาก็เป็นสมมติเพื่อมาลบล้างตัวตน ที่เป็นที่เป็นสมมติเช่นเดียวกันเมื่อตัวตัวตนถูกทำลายด้วยอนัตตาแล้วมันก็หายไปด้วยกันทั้งคู่เหมือนกับยากับเชื้อโรคเมื่อเชื้อโรคถูกทำลายไปแล้วเราก็หยุดยาเราก็ไม่รับประทานยาเมื่อตัวตนในใจหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องเจริญสัพเพรามานัตตาต่อไป เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทำลายความหลงนั้นเองความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อได้ทำลายมันไปหมดแล้วอาวุธอันเลื่อนันประเนั้นก็ไม่ต้องใช่อกต่อไปเหมือนกับยาที่นักสารโรคภัยไข้เจ็บ นอยาได้ทำลายเชื้อโรคจนหายไปหมดแล้วไม่มีโรคภายแค่เจ็บหลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้วก็ไม่ต้องรับประทานยายต่อไปทไั้งใดเมื่อปัญญาคือใจรัไ้ได้ทำลายความหลงทุกชนิดที่มีอยู่ในใจจนหมดไปแล้วจนใจนี้เป็นความว่างเป็นความสุขมินวนแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอันนีจ้จำทุกข์ังอนุตตายต่อไปปัญหาต่างๆที่เกิดเคยสร้างความทุกข์ตลอดนานให้แก่ใจ้าหมดไปทีนี้มองอะไรก็จะสับแต่ว่ามองเห็นอะไรก็สับแต่ว่าเห็นไม่ยินอะไรก็สับแต่ว่าได้ยินสัมผัสอะไรก็สับแต่ว่าสัมผัส แต่จะไม่มีปัญหาความอยากกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสครับรู้ตามความเป็นจริงของเขาแต่ถ้าต้องมีการตอบโต้หรือปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆก็จะปฏิบัติไปตามเหตุตามผลไปตามความจำเป็นแต่จะไม่มีความ วิตกกังวลเดื๋อจะมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าทำอะไรได้ก็ทำไปเห็นเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปแต่จะไม่มาวิตกกัวงวลว่าเวลาช่วยเขาไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เขาจะตายก็ตายไป ใจจะไม่มาวิตกกังวลเลยเสีย อ, อกเสียใจเพราะใจก็รู้อยู่แล้วว่าในที่สุดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นไม่ว่าใครก็ตาม่อให้ช่วยกันกี่ครั้งกี่รอบในที่สุด ม, มันก็ต้องมีรอบสุดท้ายหนังยังมีรอบสุดท้ายเลยแล้วชีวิตของเราทำไมจะไม่มีรอบสุดท้ายบ้างมันก็ต้องมีรอบสุดท้ายด้วยกัน งานเลี้ยงย่อมมีการสิ่งสุดไม่มีงานเลี้ยงไหนที่จะเลี้ยงกันไปตลอด mm hmm. นั่นแหละคือชีวิตของพวกเราเป็นอย่างไรชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนงานเลี้ยงเลี้ยงกันไปอยู่เรื่อยๆเลี้ยงวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลี้ยงต่อเดี๋ยววันเลี้นี้ก็เลี้ยงต่อเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปถึงวันสุดท้ายของงานเลี้ยง น, นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษา นั้นสรุปแล้วสิ่งที่เราต้องจำให้แน่นอยู่ตลอดเวลาก็คืออ น, นิจจ์ทุกขังอนาาัตตาขอให้จำสามคำนี้ไว้แะนํนำอาไปปฏิบัติตแล้วจะอยู่อย่างปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายนะนี่ก่อ เขพูดตีิีก็พูดเรื่องแก่เจ็บตายวันนี้พูดเรื่องอะไรไม่ตัวนี่มาบอกว่าเห็นเดือนร้อนคนนั้นจะแก่จะเจ็บจะตายฉันไม่เดือนร้อนเลยนี่กต่เดือนร้อนกันทงนั้นเวลาคนมันแก่คนนันเจ็บเรือไหมมันเถอะนะตัดบเดียวมันก็เถอะแล้วแเดียวมันก็เือ ของนี้มันยืมง่ายแต่เรื่องกิเลสนี้มันมยืมยากใครพูดแล้วไม่ดีทาเดียวมันจําได้ตลอดมันแต่ทําอะไรไม่ถูกถูกใจเนื้อจําได้ทั้งมันไอ <c oughs> เรื่องที่ควรจะลืมก็จำไม่ลืมไอเรื่องที่ควรจะจําก็กลับไม่จามํา <c oughs> หัวหน้าเรียนได้แล้วเหรอมีพ อ, อช่อวยอปได้บ้างดีนะอย่ารีบร้อนอย่าไปใช้มันมากให้มันหายดีเป็น เ, นเต็มที่ก่ะแต่ควาจริงหน้าจะได้ประโยชน์นะถ้าเป็นนักภาวนาเร า, าจะจะได้ประโยชน์มากเพรมัน มันบังคับเราในตัวให้ภาวนาเพราะเราไปไหนไม่ได้จะหาเหตุผลอะไรไปก็ไปไม่ได้เมื <c oughs> ่อก่อนดิเรกมันมีช่องอ้างหรือเลยแต่งงานครูบาอาจารย์นั่งแต่งานคนนั้นคนนี้ไปได้ไปได้่นมันไปไม่ได้แนะ <c oughs> ถ้าเป็นนภานา <c oughs> ก็โชว์โอกาเลยภาวนาได้เต็มที่เพราะการภาวนามันอยู่ที่ใจ อยภาวนาที่ภาวนาทิ่ใจแต่อสายร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าร่างกายขยับขยื่อนไม่ได้ก็ยังภาวนาได้สติอีู่ที่ใจที่เหนือยอยู่ที่ใ จ, ออใจปัญญาอยู่ที่ใจสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อทำลายที่เหนื่อยที่มีไปในจร่างกายจะอยู่ในอรปยาบทใดก็ไม่ไม่เป็นปัญหาแต่อใด สำหรับคนที่ยังหยุดไม่ได้เนี่ยการเจ็บไขาได้ป่วยก็ช่วยเป็นอุบายแล้วช่วยบังคับไปในตัวเหมือนกับคนที่จนตรอกเนี่ยไปทำไหนก็ไม่ได้มันก็ต้องสู้อย่างเดียวทาไม่สู้ก็โดนเ็าต่อยอย่างเดียวถ้าไม่พมาวนาแลอยากจะไปนู่นมันี่มันก็จะทุกข์เรมันใจเพราะมันไปไม่ได้ พอภาวนาแล้วก็ตัดความอยากได้พอความอยากดับก็อยู่อย่างสบายอยู่อย่างสูงยิ่งกว่าการที่ได้ออกไปทําตามความอยากบางทีเราก็ต้องอาศัยเหตุการณ์อย่างนี้เป็นเป็นเป็นอุบายหรือเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราให้เราต้องสู้ถ้าเราไม่มีเหตุการณ์บทีเราก็ยัง ถูกกิเลสหลอกล่ออยู่เรื่องเราให้ผัดวันประกันพรุพ่งไปก่อนไว้ทําพุ่งนี้ก็ได้เรานี่ทำเรื่องนี้ก่อนแต่พอมันมันทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันก็ต้องทาเรื่องนี้เรื่องเดียวพอทําทแล้วเริ่มเห็นผลแล้วที่นี้ต่อไปไม่ต้องบังคับแล้วดูแล้วว่าเนียการกระทําอย่างเนี้ยการภาวนา าาการกำจัดกิเลสภายในใจนี่เป็นงานที่วิเศษที่สุดเป็นวังวัลที่ดีที่จุดรางวัที่หนึ่งส่วนการไปทำอะไรภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้หรือแม้จะเป็นทานจนบุญก็ตามมันไม่ได้เท่ากับการฆ่ากิเลสภายในใจของเราความเบาอกเบาใจนี้มันจะมีมากขึ้น การจะทำบุญให้ทางนี้มันยังไม่ได้ตัดกินเลยมันเป็นเพียงแต่ฉีดยาสรุปให้มันหรือตีหัวมันทีสองทีให้มันน้ให้มันไม่อะอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าหานมากจนเกินไปแต่มันไม่ตายเดี๋ยวมันก็แต่มันมีกิกเลสตัวอื่นที่อาศัยการ าการทําบุญนี้เป็นช่องให้มันเจริญเติบโตคือกิเลสที่เรียกว่ากามฉันทะพอเวลาได้ออกไปข้างนอกมันก็ได้เห็นรูปได้ได้ยินเสียงได้อะไรต่างๆได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ทําให้กามฉันทะนี้ยังจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่แต่กิเลสที่เกิดจากความตณีมันก็ถูกลดลงไป ก็เราไปทําบุญเราไปเสียสละเราไปตัดส่วนนี้ไปแต่กิเลไปลาการมาถึงพระมันก็มันก็เหมือนกับได้งามมันก็เจริญนอกงามต่างไปด้วย่ยางนั้นสาหรับุนักภาวนาเนี่จะต้องมีความเข้มงวดขันมากกว่านักนักสแสวงบุญนักสแสวงบุญนี่เขาต้องไปตามที่ต่างๆไปอินเดียไปวัดนั้นไปวัดนี้น แต่ถ้าเป็นนักพลางานาแล้วเขาต้องตัดนะเขาไม่ต้องไปภายนอกแล้ต้องตัดต้องปิดประตูเข้าออกของกิเลคือทวารทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นการนี้เป็นทางเข้าออกของกิเลคือการมัทฐาถ้ากิเลสยังเข้าออกได้มันก็ยังจะริอนอกอย่างจะปราบมันยากถ้าเราปิดทวารทั้งห้ามันก็มีอยู่มันก็ออกไม่ได้มันก็จะ มันก็จะวิ่งอยู่ภายในใจมันก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจตอนนั้นเราก็ต้องใช้ภาวนาใช้สมถะภาวนาใช้วิปัสสนาภาวน า, า, วน า, า, วนาทำลายมันเหมือนกับเราจะเอาวัวมาฆ่าอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีคอกล้อมมันไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปในปา่าในทุง่งบาแล้วจะตามจับมาฆ่าได้ันเหนือ ถ้าเราจับมันขังไว้ในขอ้อเวลาเราจะฆ่ามันจับมันจับมันมาฆ่านี่มันก็ไม่ยากยิ่งถ้าขอ้อยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งแคบเท่าไหร่มันก็ยิ่งจับงา่ายถ้าข้อมันกว้างมันก็จับยากไแต่มันก็ยังดีต่อไม่มีข้อเลยข้อที่จะกักกิเลนไว้ก็คือเป็นที่สังสังวันี้เอง การสํารวมในอินทรีย์สัมรวมในตาหูจมูกลิ้นปากนี้เป็นข้อหรือสิ้นสังวรก็ไดถ้ถ้าเป็นข้ออย่างก็สิ้นสังวรถ้าเป็นข้อที่แค่เข้ามาก็เป็นเป็นอินทรีย์สังวรจะมาอยู่ในปางเลยเขาไม่ต้องไปรับรู้เรื่องต่างๆของทางโลกกันกิเลสนั้นก็ไปไหนไม่ได้มันก็จะออกมามันก็จะเพ่นพ่านอยู่ในใจ ถ้ามีสติก็จะเห็ น, หนทันทีเวลามันออกมาเพิ่มขั้ น, นก็ต้องรีบ ก, กำจัดมันทันทีถ้าพุ่งสร้างก็ต้องภาวนาตามจิตใจให้สงบถ้าสงบด้วยด้วยอุบายแห่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องสงบด้วยอุบายแห่งปัญญาวิเคราะห์เข้าไปถามดูว่ากําลังพุ้งสร้างกับเรื่องอะไรเอาปัญญาเอาตายรักนี่เข้าไปสกัดเรื่องต่างๆมันก็ไม่อยู่เหลือขอบของตายรักไป เรื่องต่างๆมันก็ต้องจบของมันอยู่เองเราจะไปแก้หรือไม่ไปแก้หรือจะไปทำไม่ไปทาในที่สุดมันก็จะต้องจบลงไปของมันเองเช่นเราห่วงพ่อห่วงแม่สมมติเราเป็นนักบวชไปอยู่ในป่าเกิดวิตกกังวลเรื่องพ่อเรื่องแม่กับพิจารณาไปว่ากลับไปช่วยได้ก็แค่ชั่วคราวเดี๋ยวในที่สุดเขาก็ต้องตายในที่สุดอยู่ เราไม่ไปเขาก็จะได้มีโอกาสพึ่งตัวเขาเองให้เขาต่อสู้กับสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองหรือถ้าเราไปก็ไปสอนให้เขารู้จักวิธีต่อสู้ที่ถูกต้องแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเรายังไม่มีความรู้นั้นเราก็อยากพึ่งไปตอนนี้เราเรีบมาสร้างความรู้นี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงขังพระ อ, องค์ไว้ถึงหกปีด้วยกันขังอยู่ในป่าหกปี ไม่เคยกลับไปในวังไม่เคยไปห่วงพระราชาบิดยาหรือห่วงพระม่เหสีหรือพระราชาโอรสห่วงก็ส่งใช้ตายลากเข้ามาสกัดแต่หลังจากที่ได้ได้ตัดสรู้แล้วพระองค์ก็สรงกลับไปโจบเพราะตอนนี้มีสิ่งที่ดีให้เขาแล้วสิ่งที่จะทําให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์แล แต่ตอนที่เราภาวานานี้ถ้ามันคุ้งซ่านกัวงวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องใช้สมาธิหรือ ว, วิปัสสนาเนี้เป็นตัวสงบทำให้มันสงบให้ได้ถ้าทำให้มันสงบไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องไปถึงได้มันจะต้องแหกข้อไปถึงได้เพราะมันทนอยู่ไม่ได้เป็นห่วงใครมากๆหรือก็ต้องไปหาไปดูแลเขาถึงได้แต่ถ้าใช้ายรักมารกัดแล้วก็ ก็ไม่ต้องไปสมมติว่าเราตายไปแล้วเขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องตายอยู่ดีเขาก็ต้องอยู่ของเขาได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็เขาก็ต้องตายถึงแม้เขาอยู่ได้ต่อไปเขาก็ต้องตา ย, ยเช่นเยวเพราะไม่มีใครหีความตายไปได้เนี่ยพอใช้ใช้ใจรักใช้ปัญญาเข้ามาส ก, กัดมันก็หงบตัวมันได้ พอมันสงบแล้วก็สบายพอออกมาจากความสงบมันก็เริ่มอีกนะเกิดเลมันไม่มีหยุดมันเหมือนกับสงครามที่ศัตรูมันบุกมาเป็นละรอบละรอบส่งชุดที่หนึ่งมาพอถูกฆ่าตายมันก็ส่งชุดที่สองมามันก็จะส่งมาเรื่อยๆจนกล้ามันหมดกำลังเราก็ต้องสู้กับมันทุกยกทุ ก, ท, ก, ท, กทุกละรอกเราหยุดไม่ได้แต่เราไม่ต้องกลัวเรารู้วิธี ฆ่ากแล้วนะเรารู้วิธีต่อสู้กันแนละ้วเรามีอาวุธที่ประเสริฐที่เราไม่มีมาก่อนถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนานเราสู้มันไม่ได้ไม่มีใครสู้กิเลสได้ถ้าก่อนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีใครฆ่ากิเลสตายให้หมดได้มีแต่ฉีดยาสงบหรือทุกหัวมันให้มันสลบไปเท่านั้นเองแต่เดียวมันก็ฟื้นขึ้นมาใหมไม่มีใครถึงพระนิผ่านได้ ของที่พระพุทธเจ้ามาตัดสรุไม่มีใครพระพุทธเจ้าแสวงหาพระนิพพานเขาไม่มีใครสอนได้เพราะไม่มีใครรู้แต่ขอพระพุธเจ้ามาตัดสรุแล้วได้พบกับอาวุธพิเศษนี้แล้วแล้วก็มามอบให้กับพวกเราพวกเราจึงเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนาที่ได้รับอาวุธอันเลิ่องลือมาทีนี้เราเราสู้กับมันได้มันจะมากี่ร้อยละลอกมากี่ กี่พันครั้งเราก็ไม่ต้องกลัวนะมันมากี่รอบเราข้ามตายได้ไหมดถ้าเราใช้ตายละกิเลสมันสู้ตายรละไม่ได้กิเลสทุกตัวไม่ว่าจะอยากด้อยละเอียดนีน้มันแพ้ตายละนั่นขอให้เราไม่ต้องกลัวกิเลสเรามีอาวุธที่ดีแล้วเราอย่าไปอย่าไปเสียดายมันเท่านั้นะ กลัวงทีก็ไม่กลัวแต่เสียดายกลัจะขาดเพื่อนนี่นก็ไป็นกิเลสอีกแบบไราอยู่คนเดียวก็คิดแล้วว่าเราเรานี้เห็นแก่ตัวหรือตปลาเราทิ้งเพื่อนถุงไปหร่อเปล่านี่ยป็นเรื่องของก่เลสทั้งนั้นเราอยู่กับเพื่อนแล้วเป็นางจมไปด้วยกันจมไปในกองทุกข์พอออกมาแล้วเนี่ยมุดพ้น คนที่จะหลุดพ้นนี่ส่วนใหญ่หลุดพ้นอยู่ด้วยการอยู่คนเดียวนะอยู่ตามลําพังไม่มีใครหลุดพ้นด้วยการอยู่ด้วยกันต้องติดด้วยต้องอยู่ตามลําพังยังอย่าไปกลัวนะการอยู่ตามลําพังอยู่ไม่เว่ยนี้เป็นการอยู่ที่ดีที่สุดเขานักปฏิบัติ จะมีความลืมม่นเริงบรรเทงใจกับความสงบกับความวิเวกจิตสงบแล้วจะไม่คิดถึงใครจะไม่รู้สึกว้าเหวจะไม่รู้สึกเศ้าสร้อ ย, อยงอหยาเวลาที่มันเศร้าส้อยหงอหยาว้าเหวนี้มันเป็นผลงานของกิเลสยังสร้างอารมณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นด้วยการคิดถึง อดีตที่หวานๆกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอ <laughs> ตอนนี้มันไม่มีแล้วมันก็รู้สึกว่าเวเาว้าวตัดเขียวลงมันเป็นความคิดเสงแอ่สัญญาอารมณ์ที่กิเลสมันตกขึ้นมามันไม่มีความจริงเลยแต่มันทําให้เราทุกข์ทรมานใจนะเพราะเราขาดสติเรากําลังดูหนังหนังในใจแล้วก็เพล่งไปกับหนังที่เราดู พอได้สติปลุกขึ้นมาเตือนทั้งว่าเฮ้ยนีเป็นความฝันเป็นความคิดเราคิดว่าบอคอแตกอย่างนั้นทำไมทำมาไม่คิดพุโทโธพุธโทโธไปทำไมาไม่พิจรารณาอ น, นิจจังทุกขังนักตาก่อนนักปฏิบัติเนี่ยมันจะมันจ ะ, ม, นจะมีปัญหาก็ตอนเนี้ยเวลาอยู่คนเดียวมันจะบางครัง้งมันเผลอนี่มันไปเลยมันไหลโดยตาอารมณ์คิดถึงอดีตทนแสนหวานแสนแสนสวยงาม แล้วดูปัจจุบันแล้วรู้สึกโแสมเล้าเลยก <c oughs> <c oughs> ็หลงตานั่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยภาวนาอยู่แล้วก็ชาวบ้านเขามีงานอะไรเงี้ยท่านก็นั่งภาวนาแล้วก็บ่นไปทางใจว่าเขามีความสุขกันไม่เกินให้เรา <c oughs> นั่งอะไรโคลนคนเดียวอ <c> ย <oughs> ่มง น, นี้ ม, นมันอดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทุกทุกคนไม่ว่าใครก็ตามพอออกไปอยู่เวกแล้วมันจะ เรื่องราวเหล่านี้กัทนทํางนั้งขอให้เราเตรียมตัวรับกไว้แล้ให้รู้ทัรกัดิบคลิกคลิกมาในบางคิดถึงอย่างนีน้คิดว่าความสุขเหละนะ่านั้นมันความสุขในกองในบ้านที่กําลังไฟไหม้อยู่นะความสุขของทางโลกนี้มันเป็นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงของความแก่ของความเจ็บของความตายเหมือ น, นกับอยู่ในบ้านที่กําลังไฟไหม้อยู่ไปจัดปาร์ตี้ทําไมในบ้านที่ไฟไหม้ เดี๋ยวมันก็ถูกไฟเผาแล้วออกมาจากบ้านเนี้ยก็แสดงว่าเราออกจากบ้านที่กําลังไหม้ไฟไฟไหม้อยูเราต้องตัดใจตัดใจเราอย่กลับเข้าไปในในบ้านที่กําลังไฟกําลังไหม้เพราะจะถูกไฟเผาให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีกําลังใจแล้วก็จะภาวนาต่อพุทโธพุทโธต่อเดินจนกลมต่อพอจิตสงบแล้วก็รู้อ๋อ ใจเรงไปคิดเองใจเรงไปไปไปปรแต่งขึ้นมาเองแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดล่ะต่อไปมันพอมันสงบเรื่อยๆนะนีมันก็พยายามที่จะทำจิตให้สงบต่อไปมันจะสงบจนเป็นเป็นฐานไปเลยอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดมันก็จะสงบมันจะไม่สงบก็เป็นช่วงๆเวลาที่เรสนั้น ประทุขึ้นมาเป็นเหมือนภูเขาไฟเวลามันไปสัมผัส ก, กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่อยๆแนเรื่องนึ่งมันก็จะมันก็จะประทุขึ้นมาแต่โดยปกติแล้วมันก็จะสงบไปเรื่อยๆของมันนี่แสดงว่าเรามีสมาธิแล้วแต่กิเลสที่ที่สร้างปัญหานี้มันมันยังไม่ตายแต่มันไม่ออกมาขึ้นเท่าเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มันจะอยู่เต็มไปหมดทุกทุกแห่ง ท, ท, ทุกคน แต่พอเรามีสมาธิแล้วที่กิเลสมันก็จะหลบซ่อนตัวมันจะหลบตามมุ่นนั้นหุ่นี้ซอกนั้นซอกนี้ในนามันก็จะโผล่ขึ้นมาสักทีเวลาไปเห็นรูปหรือได้ยินเสียงอะไรที่มันมันสะเทือนใจมันก็จะออากฏขึ้นมาตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปเข้าเป็นแก่เข้าไปปรั ลงละตัวตนเราที่ตัวอัตตาตัวตนตัถือตัวนี้ทําให้เราทําให้กิเลสมันสร้างความทุกให้กับเรานี่ทําไมเขาไม่ปฏิบัติกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราไม่ยีเราไม่ใช่ทำไมเขาจะต้องปฏิบัติกับร่างกายมันก็แค่ดินน้ำลมไฟเขาจะปฏิบัติกับดินน้ำลมไฟอย่างไรก็เรื่องของเขาร่างกานี้ไม่ใช่ตัวเราเั้นเขาจะยกมือไหว้ร่างกานี้หรือไม่ยกมือไหว้ร่างกายนี้ก็เรืของเขา เขาจะยิ้มให้กับร่างกายนี้หรือไม่ให้ยิ้มกับให้ร่างกายนี้ก็เรื่องของเขาไม้นจะเป็นเป็นปัญหาเราต้องมองนี้อย่าไปมองว่ามีตัวมีตัวในร่างกายของเราก็ดีหรือในใจของเราก็ดีใจก็เป็นเพียงคู่รับรู้การู้กันรู้ว่าเขาไม่ยิ้มรู้ว่าเขาไม่ไหวมันต้องใช้ปัญญาเขาไป็นส้อนเวลาเกิดอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมาในใจ แสดงว่ากิเลสยังยังทํางานอยู่การมันจะเห็นชัดจะเห็นจะเห็นเรื่องของกิเลสชัดเวลามีมีสมาธิเวลาไม่มีสมาธิกิเลสมันเนต็มไปหมดมันไม่รู้อะไรเป็นเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสเพราะส่วนใหญ่มันเป็นกิเลสไปทั้งหมดแต่พอเวลาสงบแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อเวลาสงบนิ่งเฉยๆนี่เป็นธรรม พอก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาปั๊บมีรู้แล้วว่ า, านี่เป็นกิเลสมีเราก็มีหน้าที่คอยคอยคอยกาจัดอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องไปไปยาให้มันเกิดขึ้นไปยาลังแทงมันไม่ออกมาเราก็ต้องไปยามิฉะงั้นมันก็ไม่ออกเราก็จะฆ่ามันไม่ได้อังทีเราก็ต้องไปยาเช่นเรากลัวอะไรเราก็ต้องไปหาที่นั่ง ตัวเสือก็ไปหาเสือตัวผีก็ไปหาผีไปแย่รางแาให้ไอตัวความกลัวนี้มันออกมาเมื่อออกมาแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาเข้าไปสกัดมันความกลัวมันก็กลัวความตายหรือกลัวกลัวกับการที่จะต้องเจอเรือเห็นกับสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นนั่นเองเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปว่าถ้ามันจะเกิดเราไปห้ามมันได้ที่ไหน เห็นก็เห็นกลัวมันเห็นก็เท่าที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็เท่านั้นเองมันจะน่าเกลียดน่ากลัวขยะขยะไ ง, งก็สักแต่ว่าเห็นตไปเราไปห้ามมันได้ในสิ่งที่ที่มันได้เราเห็นถ้าเราทําใจกล้าแล้วไม่ไม่กลัวในสิ่งที่เราจะเห็นมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรืออะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายล้วก็รู้อยู่แล้มันก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ดี แล้วมันเกิดขึ้นไปเลยเราก็สัจจะรู้ต่างความจริงมีสมาธิทํารักษาใจาให้สงบมีปัญญาคอยสอใจไม่ให้ทผะไม่ให้ตืึงตึงมันก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีสมาธิมันทําไม่ได้ใจมันจะจะแบบกระโดดโต้เต้นมันจะไม่นิ่งพอมันไม่นิ่งนี่จะใช้ทัญญาไม่ได้อารมณ์มันจะเข้ามา พขาจะยินเสียงเสือนี้ก็จะวิ่งนะผมคิดว่ามีผีมาเนี่ยตายแล้ว <laughs> <laughs> ไม่มีจสติปัญญามาคิดเลยว่าเห็นก็เห็นถืว่าตายก็ตายถืว่า <laughs> <laughs> มันไม่มีมันไม่มีสมาธิมันทําไม่ได้แต่ถ้ามันมีสมาธิแล้วมันทันได้งั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วได้สมาธิแล้วมันไม่มีอะไรผุดโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องอย่าตายใจ เราต้องไปพ่สูจน์แล้วเราต้องไปหาลางแจงอยงนั้นแหละอะไรที่เรากลัวก็ต้องไปหามันอะไรที่เราชอบเราก็ต้องตัดเราดูด้วยว่าจามันจะออกมาหรือเปล่าถ้ามันออกมาเราก็จะได้ใช้ตายลักยิงมันให้มันตายให้หมดนตยบางคนที่ภาวนาแล้วติดสมาธิก็คิดว่าหมดหมดปัญหาแล้วไม่มีอะไรแล้ แต่เวลานี้ก็ไม่รู้สึกตัวไม่ได้ไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูเวลามีความทุกข์มีควา ม, มวุ่นวายใจก็ไม่รู้ว่าตัวเอ ง, องกําลังทุกข์กำลังวุ่นวายใจพอเป็นคิดถึงอารมณ์ในขณะที่จิตสงบในสมาธิว่าจิตเราสงบเราสบายแล้วแล้วคิดว่าเรื่องอารมณ์นี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เรื่องปกติมันต้องไม่มอารมมันต้งจะเป็นเรื่องปกติ มีงกายอยากจะถามอะไรไหมมึงกาจะรล่าอะไรให้ฟังไหมถ้าใจฟัพี่ถ้าใจพูดถึงเขาว่าอัตตาเออมันก็เกี่ยวเนื่องกับมานะด้วยใช่ไหมจ้านคีอคือตัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันนะตอนี้ตอนนี้การที่เราังมีอักตาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณากายด้วยใช่ไหมจะบมันเกี่ยวเนื่องจากมันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนฝังเล็กอยู่ในใจเป็นอวิชชา ตัวนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามีเรามีแล้วมีอะไรก็เป็นของเราขึ้นมาถ้าเนื่องจากว่าเจ็บนี่เป็นของละเอียดมองไม่เห็นได้พอมันมีร่างกายมันก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแทนจิตไปเพราะจิตมันก็ไปอยู่ในร่างกายนี้มันใช้ร่างกายนี้เป็นเป็นเครื่องมือเป็นตัวแทนจิตไปแต่ถ้าเราถ้าเราพิจารณากายจนเราเห็นว่ากายเรามันเป็นเป็น เป็นแค่ภาพสีมารวมกันมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็หนอนสัตว์โลกทั่วๆไปแต่ทํารู้สึกว่ามีตัวตัวเรามันยังมีอยู่ในใจถ้าทางพิชญากายจะช่วยเสริมกันจะช่วยเสริมมันก็มันก็ค่อยๆเหมือนเราตัดปัญหาไปตัดไอ้ไอ้ออะไรปัญหาหรือไอ้ไอ้ตัวที่จ่ายไปไอ้ตัวตนไปเกาะไว้มันไปหลบอยู่ในกายแล้วก็ตัดไปนี้ไปก่อน พอมันไม่มีที่ซ่อนในการมันก็ยังมีที่ซ่อนในใจอยู่ก็ต้องเข้าไปดูในใจต่ออีกทีความนี้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดมันยังมีใจซ่อนอยู่ยังรู้สึกว่าเราเจ็บเราทุกข์เราสึกอยู่อันนี้คือเราก็ตามเข้าไปดูต้องเข้าไปดูว่ามีเราหรือเป่ามันก็เหมือนกับละเอียดขึ้นอีกชเข้าไปขั้นหนึ่งคือตอนที่เรามองไม่เห็นใจเพราะใจมันมาอยู่ที่กายเราก็ต้องแกะปัญหา ที่กายไปก่อนพอปัญหาที่กายหมดแล้วมันก็มันก็กลับเข้าไปอยู่ในใจหมดเขาเรีกกิเลสถอดตัวมาไปเอตามเข้าไปแกะในขันในนามะขันเวทนาสัญญาสังขันเขาอยู่ในนามะขันแล้วก็กลับเข้าไปในในในจิตอีกทีมันนึกเข้าไปเรื่อย มันจะข้ามขั้นตอนไม่ได้เพราะเวลามันอยู่ข้างนอกเราจะเข้าไปเหมือนคนเขาคิดว่าดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่กายเราเราไปดูจิตเหมนกายเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องต้องพิจารณากายเพื่อจะได้แก่อุปทานในกายให้จิตนั้นปล่อยวางกายเพื่อจะได้เข้ามาสึงข้างใ น, นถ้าดูจิตไม่พิจารณากายมันก็ปล่อยกายไม่ได้ เป็นงแต่รู้ว่าจิตมีความสุดมีความทุกข์มีความวุ่นวายมีความสงบแต่ไม่รู้ว่าจะทําไงไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ดูประจันวันตามัก็ทําอะไรมันไม่ได้ถ้ามันมีความวุ่นวายกับร่างกายแล้วก็ต้องไปดูที่ร่างกายไปแก้สนาที่ร่างกายไปวุ่นวายกับร่างกายทำไมมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องเป็นอย่างนี้พอมันเข้าใจอย่างนี้มันก็หายว้่นวาย ที่ดูจิตก็ให้ดูให้รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะแต่ดูจิตเฉยๆไม่พอดูจิตแล้วต้องต้องรู้ว่าเราจะทําไงให้ปัญหานี้มันหายไปก็ต้องใช้ใจละไปแกะมันออกมามันเป็นปัญหากับเรื่องใครกับใครก็ต้องไปแกะตรงนั้นถ้าไม่กลับร่างกายกับคนนั้นก็ต้องไปแก้คนนั้นเช่นคนนั้นเป็นคู่อะไรกับเราเห็นเขาทีใดแล้ว เ, เราใจเราวุ่นวายขึ้นมาแล้วเราก็ต้องแก้ให้เราทําไงเนเห็นแล้วตัดแต่ว่าเห็น เขต้องหาวิธีดูว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้แเราก็ปล่อยเขาไปนั้นเองเราปล่อยเขาไปแล้วเขาจะด่ า, เ, าเราเขาจะชมเราเขาจะอะไรก็ไม่ของเขาเราอย่าไปให้ความสําคัญเขาเราให้ความสําคัญกับใจเราให้มันสงบให้มันยิงให้มันสักแต่ว่ารู้เท่า น, นั้นเองที่เราต้องทําบางทีก็ทซ้ำทากจนจนมันปล่อยมันไป มันต้องมันก็มันจะปล่อยโดยที่ไม่เห็นตายรักไม่ได้ก็คือคือพอเราก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์เหั้นี้ลองเห็นทนี่หน้ามาก่อนแล้วก็พิจารณาทําไมมันเกิดอะไรสุดท้ายเข้าใจ ร, รักมาตัดมันใช่ไหมใช่ครับแต่มันในครั้งแรกก็อาจจะสักพักนึงก็จบไปก็เดินผ่านไปแล้วก็จบไปครั้งหน้าเจะเป็นอีกแล้วแล้วก็พิจารณาใหม่ก็ซ้ําไปซ้ปซําไปจนปจนสุดท้ายเราเห็นจริงตามนั้นก็ได้คับแต่ห้ามันไม่มีปัญหาต่อกบเห็นแล้วก็จับใจว่าเห็น แล้วก็มีเรื่องอื่นที่เป็นปัญหาก็ต้องแก้ตรง <Okay. S 1> <ป>นั้นก็จะไม่ค่อยจางลงจางหมดไปปัญหาคือจิตมันอยู่ที่จิตแต่มันมันเกิดจากการที่จิตไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็ต้องไปพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ว่าเป็นตายรักเมื่อเห็นว่าเป็นตายลักจิตก็จะปลอดมันก็จะหมดปัญ ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นตายลักมันก็ยังจะไปยุ่งอนะนี่ก็อยากจะยุ่งพอมันมันปล่อยข้างนอกแล้วมันก็ต่อไปมันก็จะไม่สนใจเรื่องภายนอกเห็นก็จักแต่ว่าเห็นใครยะทำอะไรใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเข้าไปตามเรื่องงทีพอเห็นข้างนอกครับเราก็วิ่งกลับเข้ามาดูใจเราว่าก็ต้องดูอะถึงจะรู้ว่าใจเราเป็นยังไง ว่าดูว่าแต่แต่ว่ารูว้ว่าเห็นหรือว่ายังมีปฏิกิริยาก่อนล้วก็จะไปไ ว, ไว่าเอ๊ะทำไมก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือเราส่องออกไปข้างนอกเพื่อไปก็ไปตาหนิคนข้างนอกแต่จริงเราควรจะกลับมาดูใจเราเองว่าเราก็ต้องดูทั้งสองส่วน<ม>แล้วดูใจเป็นเป็นหลักดูว่าใจเราเฉยหรือเปล่าถ้าเฉยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่เฉยก็ต้องแก้ปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่ใจ แต่มันส่งไปที่สิ่งนั้นคนนั้นไม่ต้องพิจารณาสิ่งนั้นคนนั้นว่าเป็นตายลักที่มันส่งออกไปพอมันเนี่ยมันหลงมันไม่เห็นว่าเป็นตายลักพอชีมมันบอกว่าเป็นตายรักครับมันก็จะมันก็จะหดเข้ามามันก็จะขวายคนนั้นสิ่งนั้นไปแต่ส่วนใหญ่เราไม่ดูที่ใจยรัเราดูที่คนนั้นแล้วพอมีปฏิกิริยาร้วก็ตอบโต้ทันที ไปแก้ ท, ทันทีไปแก้ที่ตัวเขาคุณทำไมพูดอย่างนี้คุณทำไมทําอย่างนี้แล้วเข้าไปมีเรื่องมีราวกันเป็นเวรเป็นกรรมกันเพราะไม่ดูที่ใจว่าใจเราเกิดอารมณ์ขึ้นมานะเ้าต้องแก้ที่ใจเราต้องดับไฟที่ใจเราคนนักปฏิบัติจะจะดูที่ใจนี้เป็นหลักแต่ดูข้างนอกด้วยเพราะยังต้องต้องเกี่ยวข้องกับข้างนอกมันก็ต้องดูข้างนอกด้วย แต่ว่าเมื่อดูแล้วก็ต้องดูทางทีว่าใจนี้ปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเฉยไม่เป็นั้าอยู่เบียดขาก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่เฉยแล้วมีอาก า, ารหงุดหงิสําคาญใจไม่พอใจไม่ชอบบอกชอบใจนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องสอนใจว่าถ้าชอ บ, บอกชอบใจเดี๋ยวเกิดเขเปลี่ยนไปทีหลังก็จะเสียใจนะก็ต้องสอนไว้อย่างนี้ พอสอนแล้วมันก็จะเฉยดำกเฉยพอเฉยแล้วก็ใช้ไา้เนี่ยความหมายของการดูใจดูจิตดูแล้วไม่ให้ดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยไม่พอมันไม่ดูว่ามันเกิดมันดับแต่มันถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันไม่ดำนะมันมันมันโกรธนานนี้จะทำยังไงมันก็ต้องหาวิธีดับความโกรธถึงต้องใช้ไต่ลับต้องใช้รูปปัตนานต้องใช้สมถะ <c oughs> ถ้าพิจารณาไม่ได้ยังขาดสติปัญญาบางคนคิดไม่เป็นก็อาศัยสมถะอุบายของสมะสมถะ ภ, า, ภ า, าวนาไปก่อนดึงใจออกจากเรื่องนั้นทันทีดึงใจออกจากสิ่ง น, นั้นเข้าหาพุทโธเข้าหาธรรมะทันทีบริกรรมพุทโธพุทโธไป ท้องคาถาอะไรก็ได้เกิดแก่เจ็บตายผมขนเล็บฟันเหนีเนื้อเอ็นกระอูกท่องมันไปอย่าไปคิดถึงอะไรเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันลืมปั๊บไออารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะหายไปมันก็สงบตัวแต่มันจะพอมันเจอเห็นปั๊บมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่พราะมันมันมันมันการยับยั้งชั่วคราวด้วยกำลังของสมาธิมันไม่มันไม่หายไปอย่างท้าววน แต่ถ้าพิจารณาทางปัญญาเป็นพิจารณาตายรักเป็นพใช้ตายรักแล้วทีนี้มันจะหายไปอย่างถาวรสมาธิจึงจึงตัดกิเลสไม่ได้ต้องใช้ปัญญาสมาธิจึงไม่ไม่ถือเป็นอริยามรรคตัวอริยามรรคที่แท้จริงก็คือปัญญาปัญญานี้เป็นตัวที่จะทําให้จิตเข้าสู่อริยภูมิได้ พระพุทธเจ้าก่อนที่ทรงตัดเซลก็มีสมาธิแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็มีสมาธิพระยามาาสองรูปที่พระพุทธเจ้าไป ส, งส่งศึกษาอยู่ก็มีสมาธิขั้นรูปฌานหรือรูปฌานแต่มันไม่ได้เป็นอริยมรรคยกรรมเพราะมันยังไม่ตัดภกตัดชาตได้เพราะกิเลสยไม่ตายไปแม้แต่ตัตวเดียวมันเพียงแต่ถูกถูก ฉีดยาสลบให้ระ ง, งับการทํางานของเขาเพียงชั่วคราวเท่านี้นเองพ อ, อํานาจของสมาธิหรือกําลังของสมาธิอ่อนครับเขาก็พุ่นขึ้นมาเขาก็จะฉุดล่ากจให้ไปเวียนล่ายตาเถิดเช่นไปเกิดชันน้นพรหมแล้วพออํานาจของสมาธิชั้นพรหมมันอ่อนลงมันก็จะฉุดล่าให้เกี่ยวการมาชั้นธาขึน้นก็จะฉุดล่าให้ลงมาเป็นเทพชัน้นเทพต่อไป และเมื่อเมื่อเมื่ออำนาจของการมันทะแรงขึ้นจากจากจากการยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นระดับทิพย์อย่างนี้ก็จะต้องการรูปเสียงกลิ่นรสแบบระดับที่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นการก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาหาหาหาการรับรในตัวใหญ่นีดต่อไป กีเนียันก็จะมีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นเแล้วถ้าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่ควบคุมไม่ควบคุมการมาฉันทะปล่อยให้มันไปแสวงหาเดี๋ยวมันก็ไปทําผิดศีลมันก็จะไปเป็นเดรัจฉานไปอยากได้สามีภรรยาใครอยากจะหลับนอนกับใครก็ไม่ต้องแต่งงานกันละเหมือนกันสมัยนี้เอาความพอใจเป็นที่ตั้งมันก็ไม่ต่างจักสุนักเดินก้าวเคยเห็นสุนักเดินก้าวไหมเขาเดินตามอ่างเป็นฝู บีงทีมีโจเมียอยู่ตัวตระพูกสี่ห้า 4, ตัวมันเดินตามหาวลับกันติดไล่ ก, กันเพราะว่ามันมันมันปล่อยให้เป็นไปตามตามอารมณ์ไม่ไม่ไม่รู้ไม่ใช้ไม่รู้ไม่รู้ผิดถูกดีชั่วไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญพอจิดเตือนลงไปเรื่อยๆมันก็จะพาให้ไปสู่ระบายที่ต่ำไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่คือเรื่องของออสมาธิหรือการรักษาสีหรือการาทำอยู่ได้ทานนี่เป็นโลกิยะธรรมเป็นธรรมที่ยังไม่ใช่เป็นโลกุตระถ้าจะเข้าสู่โลกุตระธรร ม, มนี้ต้องเจริญใจละอนิจังทุกข์รันธ์ บอกพระพิทธเจาทรงแสดงอริยสัจซึ่งเป็นใจรักเนี่ยอริยสัจก็คือทุกข์กษัตริย์ทุกข์ทุกข์กษัตริย์ก็คือหนึ่งในใจลับนี่อันนิจจ์ทุกขังนิตตาแล้วก็ทรงแสดงอันนิจจ์ด้วยเกิดแก่เจ็บตายในทุกข์ษัตริย์ก็มีอันิจจ์และมีอนิจจ์คือเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เป็นอันิจจ์พอจงแสดงต่อพระอัญญากนถังยาซึ่งมีสมาธิอยู่แล้ว มีจิตตั้งมั่ในความสงบรับฟังคําสอนแล้วก็พิจารณาทางไปก็รู้เลยว่าอ๋อปัญหาก็คือจิตไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมะจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาเกิดสมุทัยขึ้นมาเกิดภาวะปัญหากเกิดรูปภาวะปัญหาขึ้นมาที่พอเข้าใจแล้วก็เลยยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมะ จิตก็เลยหลุดพ้นจากจา ก, จากการยืมง่ายตายเกิดในระดับหนึ่งได้สุลเวลาปฏิพันขึ้นมาพบชาติเหลือแค่เจ็ดชา้าถ้าไม่มีไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าคือตายรักเนื้อแล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากรัตาจากักแล้วต่อให้ภาวนาะได้ถึงขั้นไหนะมีรียิเมเดชขนาดนัหนก็ตาม ก็ได้แค่เพียงโลกิยาทำมท่านั้นโลกิยามากโลกิยะคนแต่ยังไม่เป็นโลกุตตระมากก็โลกุตตระคนอันนี้ต้องมีต้องมีงมปัญญาพื้นฐานแล้วอกจะมีปัญญาระดับใจล้างได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะถึงมิตเป็นปัญญา บางคนสอนว่าไม่ต้องไม่ต้องทําสมาธิจเจริญปัญญาไปเลยมันจะอะไรมันจะเอาอจิตที่เพราะจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสที่ว้าวุ่นขุ่นงัวกับเรื่องเรื่องของกิเลสมาพิจารณาเรื่องตายรักได้อย่างไรมันพิจารณาไม่ได้พิจารณาได้ครัปเดียวมันก็ไปแล้วบางทีมันไม่อยากจะพิจารณาด้วยซ้ำแต่กิเลสไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตาย ในเวลาที่จะสอใจเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจรู้ๆเรื่ว่าแต่แยากลำบากมากเกินทั้งที่มันเป็นความจริงทั้งที่เราเห็นอยู่กับตาของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันเห็นคนแก่อยู่ทุกวันเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันได้ยินเรื่องของคนตายอยู่ทุกวันแต่มันก็ยังไม่ไม่สามารถเอาเข้ามาสู่ใจของเราได้เพกี่กเลสมันคอยคอยสกัดอะไให้เป็นเพียงสัญญาเท่านั้นให้เป็นเพียงความจํา ความจำกับปัญญาเต่างกันตรงที่ว่าความจำนี้มันจำแล้วมันก็หายไปานานๆมก็เลิกขึ้นมาทีแต่ถ้าเป็นปัญญานี้มันจะต่อเนื่องมันจะมันจะรู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยสอนพระอรุณว่าเธอต้องกำหนดพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกมันถึงจะเป็นปัญญาเนี่ยถึงต้องบอกว่า ฟังแล้วต้องเอาไปทําต่อเอาไปขยายลนทำไปทําการบ้านแล้วก็เอาไปเข้าห้องสอบยังมีอีกสองขัง้นให้ทำนี่เป็นเพียงขั้นแรกขั้นกลางค่ะสมาธิใน ม, มัดนัน ก, นกแปดนี่เป็ น, ปนสมาธิในอะไรมากกว่าถ้าเป็นสมาธิเพื่อสงบนิ่งไม่ออกไปรับรูเรื่องราวต่า ง, างๆก็จะถือว่าเป็นสมาธิ ที่จะสนับสนุนในการเจริญปัญญาต่อไปแต่ถ้าเป็นสมาธิที่รับรู้เรื่องราวต่างๆมีนิดๆนั่ง น, นิดๆนีนนน้ไปรู้เรื่องนั่งเรื่องนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่สมาธิแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาเพราะออกมาแล้วจิตจะไม่สงบไม่เย็นไม่นิ่งเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ทำสมาธิ ถ้าหลับนอนก็เหมือนกับหลับไม่สนิทหลับนั่งฝันไปแล้วถ้าไปฝันเรื่องที่ไม่ดีตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปทำงานต่อถ้าเปจิตถ้าเราหลับสนิทไม่ฝันไม่พอตื่นออกขึ้นมาแล้วจะมีชีวิตชีวาสดชื่นมีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปทำอะไรต่อไปได้ สมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าสงบนิ่งสักแต่วารู้เป็นอุเบกขาเอกตาลมจิตรวมลงแล้วปล่อยวางทุกอย่างลูกเสียงกิตก็หมดสักพักปล่อยวางร่างกายไม่ไม่สนใจถึงแม้อา จ, จยังได้ยินหรืยังรับรู้อยู่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไปแบกบไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยพักอยู่ในความสงบนั้นไปเป็นสมาสมาธิ พอเวลาเราจะพิจารณาปัญญาจิตจะได้ไม่ไม่วกแวกจะพิจารณาเรื่องอะไรมันก็จะอยู่กับเรื่องนั้นถ้าไม่มีสมาธิก็เหมือนกับเด็กที่ไม่มีสมาธิเด็ยนหนังสือไม่รู้เรื่องอ่านหสือไม่รู้เรื่อ ง, องเข้าใจจะคิดถึงเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆอ่านหนังสือเข้าไปก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกับจิตที่ไม่มีสมาธิพอพิจารณาอา น, นิจจังทุกขานาตาก็จะว่าไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็พิจารณาไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องไม่ไม่เห็นภาพที่ชัดเจนในเวลาเข้าสมาธิแล้วถ้าถ้าจิตเราเป็นชนิดโลดโผนอย่างเหมือของคุณแม่แม่ชีแก้วเนี่ยท่านก็เป็นจิตที่โลดโผนเวลาจิตสงบแล้วมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่กับที่มันจะถอนออกมาแล้วไปรับ ร, บรู้เรื่องต่างๆท่านตอนที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆท่านก็คิดว่านี่เป็นสมาธิ เป็นวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแต่หลังจากที่หลวงตาท่านสอนว่ามันไม่ใช่ต้องต้องหยุดไม่ให้ออกไปรับรู้แต่มันก็ยากเพราะมันเป็นนิสัยพอมันนั่งแล้วมันก็ออกไปทันทีแล้วมันก็ไม่มีสติพอที่จะเดินกลับมาได้แล้วพอมันออกจากสมาธิแล้วมันก็ไม่มีกําลังใจที่จะไปเจริญปัญญาต่อเจริญก็เจริญไม่ได้เพราะมันนิ่ง ท่านถึงต้องสอนว่าอย่าออกไปรับรู้เรื่องราว ต, รต่างๆถึงกับต้องขู ว, ว่าต้องต้องเลิกกันเลยถ้าไม่เชื่อฟังไม่สอนอีกต่อไปท่านถึงจะพยายามยับยั้งจิตไม่ให้ออกไปรับรู้แล้วให้นิ่งให้สงบอยู่ในในอุบเบกขา แล้วพอออกมาท่านก็สอนให้พิจารณาร่างกายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภพะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาดินน้ำเงินไฟจนในที่สุดก็ป่อยวางร่างกายทําให <c oughs> ้พิจารณาต่อให้มีสมาธิระดับไหนก็ตามขั้นนิโรธสมาบัติก็ทําอะไรกิเลสไม่ได้รูปฌานอารูปฌานก็ทําลายกิเลสไม่ไะเพียงแต่ สงบมันท่างสงบตัว้วงับมันล้วได้ชั่วคราวพอออกมามันก็ทำงานต่อพอออกจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาต่อเลยถ้าเป็นนักปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่ไปพอออกจากสมาธิแล้วก็เอาจิตไปทำงานอย่างอื่นเอาไปทำขนมเอาไปทากับข้าวเอาไปทำเรื่องอื่นหลายสาระทั้งหลายถ้าเป็นพระก็เอาไปทำเรื่อง บาปบ้างเรื่องจีวรบ้างเรื่องโกรธบ้างถ้าออกไปทําอย่างนี้แบบ้มันก็จะเสียเวลาพอเสร็จจากงานก็กลับเข้ามาทําสมาธิใหม่มันก็จะอยู่แต่ขั้นสมาธิเท่านั้นเองมันจะไม่ก้าเข้าสู่ขั้นปัญญาเมื่อาเาเออกจากสมาธิใหม่นี้จิตมันจะนิ่งมันจะสงบควรจะใช้เวลานั้นมาเจริญปัญญาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยเรยจนมันไม่นิ่งไม่สงบแล้วเราก็หยุดนั่งกลับเข้าไปทําสมาธิใหม่ต่อ ให้มันนิ่งใหม่พอมันนิ่งแล้วออกมาก็เอามาพิจารณาต่อการจเจริญพอถึงขั้นปัญญาแล้วสมาธิกับปัญญามันจะสลับกันทำ ง, งานนะแต่ในเบื้องต้นนี้ต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีของสมถะก็ได้คือบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือถ้าไม่ถูกเจริญนอนต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ก็ใช้ปัญญาพิจารณา ข่มใจให้มันสงบเล้ยพอใจ ม, สมนสงบแล้วออกจากสมาธิแล้วทันี้เราก็เอามาพิจารณาฐานห้าแล้พิจารณาลูประทานก่อนพิจารณาร่างกายก่อนสลับกับการกลับไปพักในสมาธิจนร่างกายนี้หมดปัญหาไปอุปทานในในร่างกายนี้หมดไปก็ต้องขยับเข้าไปสูน่นามะขันต์ต่อไปเข้าไปสู่ กิเลสและธรรมที่ละเอียดต่อไปจาก น, นั้นมาขังก็เข้าไปสู่ตัวจิตเพราะตัวจิตนี้เป็นเป็นเป็นศูนย์เป็นศูนย์กองบัญชาการของกิเลสอยู่ในอวิชชาอยู่ในนั้นนั่นเรียกว่าจิตต่อวิชชาอยู่ในตัวอวิชชาไม่ค่อยออกมาเพ่นพ่านภายนอกทางรูปเสียงกลิ่นแล้วมันสมบริวารออกมาสมงลูออกนะ้องนะเรามันวงการอยู่ข้างใน <C oughs> การปฏิบัติถึงต้องตัดสัจจสมาธิแม้ด้แม้แต่ขั้นเริ่มต้นก็ต้องมีสมาธิให้ได้ก่อนแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วเจริญปัญญาก็ต้องใช้ใช้สมาธิเสริมกับปัญญาเราสมาธิเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ให้อาหารแก่ใจไปจนถึงขั้นสุดท้าย นั่นใครที่มาสอนนะไม่ต้องันั่งสมาธิไม่ต้องนั่งหลักตานี้ก็อยากไปฟังให้เสียเวลาพระพุทธเจ้าสอนไตรสิกขาทําไมสินสมาธิปัญญาทําไมสอนสมาสมาธิทําไมเงาตามันออกไปก็ได้มั 8, 9, ่งแต่ก้าวหลือแค่เจ็ดก็พอ <c oughs> <c oughs> ตายรักก็เ okay, okay, okay, อาแค่เอแค่เอาแค่สินกับปัญญาก็พอยกเว้นคนที่มีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องใช้อันนี้ยอมรับอยู่ ถ้าเขามีสมาธิแล้วเช่นพระปัญจวัียนี้มีสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องสมาธิทั้นสอนปัญญายอยู่ทั้งแรกก็สอนนะอสอนเรื่องอริยสั์สอนเรื่องมรรคแปดในธรรมจักรกับปวัตตนสุภพอขั้นสุดท้าก็สอนอนัตตลกอนัตสุอย่อนัตตาสอนเกี่ยวกับอนัตตาขันห้าคืออนัตตา กัญญาล้นล้วนเพราะว่าท่านมีสมาธิกันแล้วแต่พวกที่ยังไม่มีสมาธิก็ต้องสอนให้เขาทำฝึก ส, สมาธิไปก่อนยส่วนบนต์ก็ดีบริกรรมพุทโธก็ดีด้วอก่อนนั่นก็ต้องให้เจริญสติไปก่อนถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบก็ต้องสอนให้เจริญสติไปก่อนให้มีสติอยู่ในอริยาบททุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายให้อยู่ในปัจจุบัน อย่าส่งจิตไปที่นั่นที่นี่พอมีสติดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันนั่นนะขอให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธพอมันอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องมันก็จะรวมลงสู่ความสงบมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเนี้ยการปฏิบัติมี่เวลาคนสอนอาจจะไม่ได้สอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยก็พูดไปขคำนนั้นบางคำนี้ดางคนฟังก็ฟังแบบจับตัแล้วก็เอามาแปลความหมายแบบผิดผิดไป มักแปลมันก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสัมมาทิติสัมมาสังกัปปะก็เป็นองค์ปัญญาสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวนี่ก็เป็นเป็นศีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ประกอบของสมาธินั้นมีเนี่ยสัมมาวิริยสัมมาวายาโมความเพียรชอบมันก็เป็นองค์ประกอบของของทุกส่วน ต้องมีความเพียรในการรักษาศีลในการทำสมาธิในการเจริญปัญญามีโครงประกอบที่จะนำไปสู่การตับสัรูนั้นมันต้องมีครบองค์มาแต่ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาของปริพาชกคนที่จะเข้าไปเฝ้าครัง้งคนสุดท้ายก่อนที่จะทรงสเสด็จดบบับขังทัปริมีพาน ถามว่ามีลทัทธิมีคำสอนอยู่เยอะแยะเลยแล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าคำสอนหนเป็นคำสอนที่ถูกต้องเพราะเรตัดบอว่าคำสอนหนที่มีมักเป็นองแตกคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องถ้าเป็นองค์มีแค่เจ็ดองไม่มีไม่มีไม่มีสมาธิก็ยังไม่ถูกต้องนั่นคนที่ไม่ชอบนั่งสมาธินั่งอาจพยายามเปลี่ยนใจได้ ชอบถามปัญหากันแล้วกันนั่งนั่งต้องหลับตาหรือเปล่าน่าเป็นดวงตาเหมือนยังไงนั่งสมาธิจะไปดูอะไรนั่งสมาธิก็ต้องงานที่จะปิดทวารอยู่แล้วนั่งลงชิอยู่แล้วยังไปเปิดตาดูอะไรอีกต้องการจะเอาที่เลือไปข้างใ น, นก็จะได้ท่ามันไม่ใช่เปิดตาให้มันออกไปเปิดช่องให้มันออกไป อันนี้พูดคนเดยวยาวเลยนะะอาถวายของก่อนมีเรืของหลวงปู่นเพียใช้กาชการแล้วก็ส่งอนะไรทั้ง้เมใครมาถวายกอนก็ยก่อนไม่รู้วันเกิด10ปีันเกิดก็จะมีวันตายนะ เราไม่คิดจะเกิดอย่างเดียวมันเกิดแล้วมันองตาถ้าไม่เกิดมันจะได้ไม่ตายคอย่างนี้จะไ่กตาที่แล้วมันจะทาให้เราไม่ทุกข์ไม่ไม่กังวล ลาออกจางานแล้วก็กลังเเริ่มต้นนะคะแตนี้ก็สู้อยู่กับที่เมื่อกี้ถ้าอาจารย์พูดต้องหยุดคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วบางทนคุ้งร้านใช่เราก็พยายามกลับไปทำสมาธิตอมีาหนาทันทีเวลาที่ง่ารือใครวดเมื่อยแล้วนั่งสมาธิแต่คามเพียราก่อนนะให้มันสงบแ้ต่อะไรก็ได้ที่จะช่วยในการรับความค้งนแล้วเราทาสมาธินี่ต้องแบบเป็นรอบสามเวลาหรือไม่จาเป็นคะ มากกว่านั้นได้ยังดีสลับกับการเดินเป็นคนทั้งวันเลยก็ได้พอไม่นั่งก็เดินพอไม่เดินก็นั่งถ้าเป็นเวลาะะเบื่อแล้วก็แก้โดยวิธีว่าฟังเทศฟังธรรมฟังเทศอันนี้คือธรรมะย่างกระบอกขอพ่อห น, น, น, น่อยพ่ตาฮิเดะเสนอหน้าตัว นี่กระดา่มันก็เล่าแต่พูดหลยแง่ลายมันมัน่องคุเราไม่ครได้ยินไม่ทันตอนทีาทุงตอนน้าว่างเปนก่อนคณะสด็จทางมากรัมนตรเลายน มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่มาผิดเวลาบอกทว่าาหลังตรงมาบ่าย้วมาตอนสิบเอ็ดมี่ขขึ้นมาเอาดูเขาก็มานั่งรอกั น, <อ>นแต่แบงก์ีกิกรดต่อก ม, มีคำถามอีกไหครับกันใดคำถามอีกครับ ตังมาสี่ปีแล้วคงจะเข้าใจกันแล้วรู้อยู่ว่ารู้ว่าปฏิบัติท่านั้ น, น, นะอาาเป็นเป็นเป็นอุปสรรคขั้นต่อไปเรื่องความสงสัยในเรื่องต่างๆนี่มันไม่สงสยัยละเรู้รู้หมดแล้วว่ามันก็กลับมาที่ตัวเราเมื่อก่อนก็เพื่าไปหาครูบาอาจารย์ที่พิเศษแล้วท่านพิเศษกะเป๋าให้เรา เดนี้รู้แล้วว่าไปที่ไหนก็ให้เราชี้กับมาที่ใจเราที่กับมาที่ตัวเราซีกับมาที่การปฏิบัติของเราซีกมาที่การตัดการลดการละของเราเพ้าเราอยากไปเจี้ยเชยได้กับสิ่งต่างๆเลยเพราะสิ่งที่เราเสียไปก็เหมือนกับเสียความทุกข์ไปทด้สิ่งที่เรามีนี้ล้วนเป็นความทุกเป็นกองทุกที่เราแบกหามกินอยู่ทุกคน แล้วก็อย่าไปคิดอยากจะได้อะไรมาเพราะเป็นการได้กองทุกข์มาเพิ่มคิดถึงเนี่ยทังคำเนี่ยอันนี้จังทุกขังนัำตามันมีทุกสิ่งที่ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มังทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่เรามองไม่เห็นเราชอบเห็นแต่สุขเพราะว่ามันเป็นเหมือนอยาขมเครือบน้ำตานั่นเองความทุกข์ที่เรามีกันนี้มันถูกความสุขมันเคลือบไว้ความสุขที่เล็กๆน้อย จากการได้ทําอะไรตามความอยากของเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่แล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาความทุกขที่จะต้องหาความสุขนี้ต่อกันความทุกข์ที่เกิดจากการเวลาหาไม่ได้ความทุกข์ที่จะต้องคอยรักษาความสุขนี้ไว้มันเป็นความทุกข์ตรงนั้นแตมองไม่เห็นกันเราเห็นแต่ความสุขที่โอ้พได้อะไรมาก็ดีออกดีใจ อยากจะได้อะไรก็ดีใจได้แล้วไม่เคยคิดถึงเวลาที่ผิดหวังเวลาที่อยากได้แล้วไม่ ไ, มได้ดังใจนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อเวลาเสียอะไรที่เราได้มาแล้วจะรู้สึกอย่างไรน้ำนไม่คิดกันแต่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์เราไม่อยากจะได้ต่อไปมันก็จะสบายและเราก็จะไม่เสียดาสิ่งที่เราจะเสียไป พราะเรารู้ว่ามันเป็นกองทุกข์มากกว่ากองสุขแต่จะรู้ได้จริงๆก็ต้องเกิดจากการภาวนาะทาจิตให้สงบให้ได้ก่อนถ้าจิตไม่สงบมันไม่มีความสุขมาทดแทนความสุขที่เป็นยาขมเครือบน้ําตานี้มันจะทุกข์มันก็ยังก็ยังยอมทุกข์เพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆ น, นี้เหมืนคนที่ยอมทุกข์กับยาเสพติดทุกข์กับทุรายาณ แต่ถ้าเราได้พบกับความสงกที่เกิดจากการภาวนาแล้วความสุขสต่างๆเหล่า น, นี้มันจะเป็นเหมือนกับกองขยะไปมันไม่มีคุณค่าเลยเราจะโยนทิ้งไปได้อย่างง่ายดายเลยติดสุราก็เลิกยากเลยติดการเที่ยวก็เลิแล้วติดอะไรก็เลิกยากเราจะทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างความสุขแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยมันถึงจะเป็นการ ภาวนาๆภาวนามยปัญญาจริงๆตอนนี้เราก็รู้อานิจังทุกขออนานัตตาแต่มันตักเหลยไม่ได้ <c oughs> เพราะขาดสมาธิขาดความสุขทดแทนก่อนที่เราจะเสียความสุขนี้ไปเราต้องมีอะไรมาทดแทนก่อนเหมือนกับถ้าเรามีแฟนี้ เราก็ยังรักแฟนเราอยู่แต่ถ้าเราได้แฟนใหม่คนเก่าไม่รักกเเราก็ไม่เสียใจเพราเรามีตัวแทนอยู่แล้วเขาจะไปก็ไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีตัวแทนนี่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวปนขาทางเลียงไปนี่กระาษเดียวกันเีความสุกทางโลกอยู่เพราะาเรายังไม่มีความสุกทดแทนเรายังไม่ได้ความสุกทางสมาร์ทโฟ แล้วได้ความสุขจางสมาธิแล้วไปออกบวชได้ก็อยู่วิเวกได้ไปที่ไหนก็ไปได้ยะังนพยายามสร้างความสุขแบบนี้ให้เกิดขึ้นเถอะพอได้ความสุขแ บ, บนี้แล้วสบายมันไม่อยากมันไม่ต้องการอย่าอื่นเราใ่โชคดีจึงเกิดมาไม่เคยที่จะได้มันอยู่มันก็มาเอง นานสักห้านาทีห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบให้มันก็เลยแล้วก็ม่มีอาจารย์เนี่ยมีครูเนี่ยก็อ่านจากหนังสือแล้วก็ลองทอดูแต่ก่อจะทำก็หลายเดือนนี่ยอ่านสืออยู่หลายเดือนยังไม่เคยทำสักทีอยู่วันนึ่มันก็เอะใจขึ้นมาเเราอ่านเรื่องสมาธิเรื่องทำสมาธิมาตั้งหลายเดือนยังไม่เคยนั่งสักทีเลยเอามันยวี้เลยแอ้ก็อามนเดีัเลย พอนั่งไปสักสองสามครั้งมันก็สงบเลยไม่นานเยอะเดียวมันเชื่อแล้นั่งแล้วมันเจ็บมันปวดแล้วล้วก็บริกรรมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวความเจ็บความชุ่มช้าเนี้ยหายไปทิ้งหงายไปหลังเลยไปแล้วมันก็นิ่งแล้วเราก็เราก็ยังยังยังลืมตาได้ยังรับรู้อะไรได้ที่อย่าง เรารู้ว่าใจข้ามันมันไม่ชุ่งท่ามันไม่กวนกะวายกระสัระสายความเจ็บที่มันเคยเจ็บอยู่มันก็หายไปมันก็เลยเกิดความแปลกประหลาดในใจขึ้นมาแล้วใจของเรามันเป็นอย่างนี้ได้มันคิดจะอันนี้เป็นอย่างนี้ได้ด้วยการทําอย่างนี้ทําอย่างนี้มันก็เลยที่นี้ก็เลยเริ่มพอนั่งค้างต่อไปมันก็ไปเป็นนละแต่มันก็จะค่อยๆสงบลงไปเคีรและเคนะมันก็ มันไม่มันไม่เป็นแบบยึดลงไปขาดถึงลงไปแต่มันนั่งได้งานขึ้นตอนนั้นนั่งได้1ินาทีสิบห้านาทีก็เจ็บแล้วแต่จริงเวลามันเจ็บเราเราไม่ยอมแก้วก็ภาวนาบริกรรมต่อๆบริกรรมไปเรื่อยๆไม่รู้ขาดไปหาจไปแล้วการเจ็บฝังลุงง่ายฝังมายากยากมันอยู่ที่สติตัวเดียวถ้าสติอยู่งานที่เราทาอยู่อยางตไม่ไปเรื่อง ต้องสร้างส่งก็แต่อันนีก็ไม่รู้แหละไม่ไม่เงี้ยเราจะออกจากงานไหมคิดดี๋ยวเิดป็นญามาไหนไหนไม่ไต้องทอะไรเยอะที่เกิขึ้นตอนที่นจาณเนี่ยอ่ายังเป็นขั้งแรกคือได้หนังสือธรรมะมาอ่านประมาณสักสองสามเดือนได้มาก็เลยนั่งพอนนั่งเราก็ติดใจก็เลยลาออกจากงาน แล่วพอดีมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็จะขอเราปฏิบัติอยู่สักทีก็ไม่ทําอะไรนั่งสมาธิเดินโยมโคมอ่านหนังสือทำมากไม่ออกไปเที่ยวดนีนั่งฟังเพลงไม่ไปอะไรทั้งสิ้นแต่มีบ้างนานๆช่วงกิเลสไม่ไบบไน่าก็วักหลบไปบ้างแต่พอไปก็รู้ว่าไม่ได้ทา่าเสียทา่าก็อยู่ได้ปีนึงก็รู้ว่าอยู่ได้รู้ว่าบทได้ก็เลยหาบบวดัด มันไปของมันเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์มันเหมือนกับว่าไฟเก่าได้เชื้อใช่ไหมมันมันลูกไปของมันเองมันหาทางของมันไปเองพอได้หนงสื้ธรรมะมาเล่นได้แล้ไปยมันไปทางนี้เลยยังหาฟืนอยู่ยังหาฟืนอยเพราะต้แต่เด็กนี่เห็นคนตายด้ยอ่สิบกว่าได้ แล้มันฝังตาฝังใจอยู่ตลอดเวลามันคิดจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วคนทุกคนที่เป็นที่คนเรารักเราเคารพพ่อแม่ปีาดาบันดาปุยดาตายายก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันคิดของมันขึ้นมาเองคิดอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่เศร้าสร้อยงอยเงาจากความคิดแบบนั้นมันคิดด้วยเหตุด้วยผลแต่มันก็ไม่หยุดยังชีวิตของเราเนี่ยยังต้องเรียนนังสืก็เรียนไปยังเที่ยวยังเล่นกับเพื่อนอยู่แต่มันมีกรอบของมัน มันจะไม่ไปทำผิดสิงมันจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ก็คืใครไปชวนไปยิงนกต่อ ก, ก ร, รอางนี่เจะจะรักขโมยเรองอะไรนี่่อมันไม่สบายใจให้โกหกหลอวก็ไม่สบายใจมันอยู่ในใจมันรู้สึกของมันอยูน่น่นไม่รู้บบิง <c oughs> แต่จากพี่จากน้องคะฮะเพราะจางกันเลยคนมีน้องสาวคนเดียวเขาไม่รู้เรื่องธรรมะหรอกเขาไม่เข้าใจเพราะมันไม่ได้มาจากพ่อจากแม่มันมาจากเด็ที่กยังที่เราจับตุมาแต่ละคนที่น้องนี่ไม่ใช่ที่น้องคนแท้จริงหรอกเป็นเพียงแต่ที่มาอาศัยคำเดียวกันแค่นั้นเองออกมาจากท้องแม่คนเดียวกันแต่ที่มาที่มาจากคนแต่ที่ วันนี้ที่ผู้เจ้าบอกไปทุกคนกั้งตอวเองก็ในอะไรที่บอกต่นที่ตอนที่ใจที่ันตายมาเจอกันใจไม่ได้มาจากพ่อจับมาใจมาจากพบก่อนมันตายจากพบก่อนมันก็ถึงเวลาที่มันจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็หาคันพอมันได้ได้คันมันก็เข้าไปอยู่ในคันนั้น มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่เจ้าของคันหรือไม่กับพี่กับน้องที่เกิดก่อนนี่การเกิดตามมาทีหลังมันไม่มีความเก <t imi> ี่ยวข้องกันหรอกนอกจากว่าอาจจะเกิดม <t imi> ีมีมีมีอะไรกันในอดีตชาตินั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นมาเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้อย่างนี้ก็มีอยู่ไม่แน่อาจจะเคาเป็นญาติเปนมาขวัญก็ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คือว่าจะว่า เป็นพี่เป็นน้องกันเราจะต้องเหมือนกันใช่ไมมันไม่ใช่พ่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วลูกจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แต่มันก็เป็นได้ในบางการณีกรณีพ่อแม่ก็เป็นแบบนี้แล้วจิตของลูกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่ามาจากพ่อจากแม่ี้นอกจากบุญกรรมที่เรากาลังทำกันอยู่ในวันนี้มันก็จะติดตัวเราไปเราฝ่าททำต่อไปเราไปเกิดชาติหน้าเราก็จะฝ่าทำต่อ จะแว้งค ร, รับทำต่อใ่แท่านอาจารย์ในการแานะนาคนที่มาความท่านอาจารย์จะที่จังสีกับทางกลับกันกับท่านอาจารย์น่นะค ะ, ะกลับประเทคนนี้มาฟังาอาจารย์จั่งี่จังชยสียังไปไม่ถึงไหนอ๋ อ, อก็เราก็ยากกันบัวสีเหลา ก็โรเรียนในห้องเรียนก็เหมือนกันอ่ะเด็กเรียนเก่งกับเด็กเด็กเรียนไม่เก่งมันก็ผสมกันไปเด็กที่ไม่เก่งชอบอยู่ท้ายท้าย <c oughs> เด็กเรียนเก่งวก็แค่แค่จะนหั่งหน้าห้องเพราไม่กลัวอาจารย์คอยถามอะไจะตอบได้เสมอแล้วก็จะเกลือไม่ได้ก็จะอยู่นั่งอยู่ข้างท้ายห้องนี้เล่นกันได้ทำรังกันได้ แต่เด็กที่อยู่หน้าห้องนี้จะต้องมีสมาธิ ฟ, ฟังครูอย่างเดียวเพราะเดนมักจะเรียนเก่งกันะเด็กที่เรียนเก่งก็จะอยู่ข้างหน้าห้องเพราะเขาเตรียมตัวรับฟังคําสอนของครูของอาจารย์เขาตั้งใจงแต่เด็กที่ไม่ชอบฟังก็จะหลบไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องก็จะได้เล่นกันได้ง <c oughs> ั้นก็มีอย่างมีอะไระมีมีพรามถามพระพุทธเจ้าว่า ท่านก็คาถาพระก็เป็นผู้ที่สอนให้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติได้ไปถึงมรรคขอนิพพานแต่ทําไมสาวกของท่านบางคนเข้าไปถึงบางคนก็้าไปไม่ถึงพระพุทธเจ้ากรต่ว่าเราเป็นคนสอนเราไม่ได้เป็นคนปฏิบัติให้เขาเขาต้องปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเขาเองเขาจะไปถึงไม่ถึงมันอยู่ที่การปฏิบัติของเขาไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนก็ได้ทําหน้าที่ของตนเต็มที่แล้วก็จบแล้ว อยูที่คนฟังภาษาอกแล้วว่าผู้ฟังจะนําเอาไปขยายผลต่ตอได้หรือไม่ <c oughs> ก็อยู่ที่ความสามารถของเขาความสามารถนี้เรียกว่าบุญบารมีถ้าได้สะสมปัญญาบารมีมากพอฟังปั๊บนั้นก็เข้าใจจริงเหมื อ, ทอญญนท่นานยังกนทัญญานี่รู้สึกว่าท่านจะมีบุญบารมีปัญญาบารมีมากกว่ารูปอื่นเร็วกว่าพอฟังแล้วบรรลุก่อนเลย ศึกษาลูกยังยังไม่ยังไม่ยังไม่เก็ตนะครับนั่นเรื่องเรื่องของของของลูกศิษย์เรื่องฐานจะไม่ใช่เป็นเรื่องของอาจารย์อาจารย์อาจจะวิตกกังวลบ้างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อนอกจากต้องให้ความอะไรให้เวลาเป็นพิเศษก็ให้ให้เวลามากหนย ก็อาจจะเป็นเด็กปัญญาอ่อนคนลางคนเนี่ยเราบอกอะไรทำเดียวเขาเข้าใจเราคนต้องขยายความเราคนต้องวาดภาพให้เห็นมันมีหลายระดับปัญญามีหลายระดับเลยกันยังพยายามสร้างไว้เรื่อยๆนะ การจะเกิดปัญญาได้ก็คื อ, อหนึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังสองเกิดจากการนมเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังใส่ไพ้ควรพิจารณาจนกระทั่งสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกตอนนั้นก็ต้องทำจิตให้สมบุก่อนถึงจะทำได้ก็ขอให้นมเราไปปฏิบัติกันนะ แล้วม่มีอะไรก็จะ้ม่พอแล้วนะวันนี้มาสายหน่อยสยะถาวาริยาฮาปุราตาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุนหังคืตเป็นวะสมิชยทุสัะเพรปุเรนตุสังกปา ยันโทปณะระสสยถาเมณิโตรติระสสยถาสัพพิติวิวาจัณฑุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะทวันตระยสุขิติขายโกภะอภิวาทานัสีลิกะมิจจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐนติีอิวันโนสุขัง คล้ว